ท่านสาธุชนผู้ใจวุ่นลายบัดนี้รายการไขปัญหาได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกว่ารุงการไขปัญหาก็คือการอธิบายธรรมะให้ญาติโยมได้เข้าใจตั้งแต่ต่ำต่ำไปจนทถึงถึงสูงหรือมีธรรมะข้อใดซึ่งควรจะรู้ควรจะเข้าใจก็ได้นํามาไขเพื่อให้โยญาติโยมได้ทราบ อย่าโดมผู้ใจบุญทลายมีทีทางแห่งชีวิตของคนคือคนแต่ละคนแต่ละคนเกิดมาต้องมีกรรมคือการกระทําดีในชั่วบ้างตั้งในอดีตในชาติหรืชาติปัจจุบันถ้าเรียกว่ากรรมกรรมน่ะมีสี่ชนิดกรรมดําล้วนให้ผลดําหมายความว่าคนทํำในชั่วผลก็ชั่วกรรมขาวล้วนให้ผลดีคนทําดีกันได้แต่ดีจะยกตัวอย่าง เห็นกำดำลวด้วนนายจุนทะสูกริกเกิดมาก็แกก็คนดูเลี้ยงสาแคขฆ่าหมูทำแต่บาทฆ่าหมูขายนิธีฆ่าหมูของนายคนนี้ก็พิสดารไปหาซื้อหมูตําบ้านนอกมาทำคอกใหญ่ๆเลี้ยงปนปื้ดด้วยผักให้มันอ้วนเวลาจะฆ่าตอาน้ำ ร, ร้อนกรอเข้าไปในปากมันเห็นอุจจ ะ, ะมันไหลเอาค้อนตีให้เนื้อมันพองขึ้นเพื่อจะได้เนื้อเยอะๆทรมานสัตว์ เลื้อทนนําร้อนลวกหนูก็อยู่ไม่ไหวแล้วตายทั้งเก็บท้องป่วยทั้งแสบอยู่อย่างนี้มานานอยู่ใกล้ๆวัดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็ทราบเวลาเขาเก็บใค้ได้ป่วยเขาจะตายภายในเจ็ดวันนี่มาน้องเหมือนกันกับหมูเลยพระไปกราบพุ่มพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าบ้านในจุนทศุกริกเนี่ยเสียงหมูร้องมาเจ็ดวันแล้ววันนี้หายเยียบไปเขาคงจะทํามงคลบ้านอะไรไม่ใช่ อีกสูตรทั้งหลายกรรมสลิกขกะบาปมันให้ผลเหมือนกับผลกรรมเหมือนกับกรรมที่เขาทําไว้คือเขาฆ่าหมูทรมานหมูมันร้องกว่าจะตายอ่ะทรมานเขาก็ตายอย่างทรมานร้องเหมือนหมูโดยไม่รู้ตัวเลยลูกเมียจะภาพปิดปากปิดเล้วก็ร้องเหมือนหมูนั่นแหละงั่นเพราะไฟอวิคีนรกปรากฏอยู่เขาเพราะตายก็ตกอวิีนรกแล้วนี่อย่างนี้นรก นี่กรรมดำลวด้วนผลมันก็ต้องดำดนี่กรรมขาวลว้วนนะผลก็ต้องดีที่ว่ากรรมขาวล้วนน่ะคือคนที่สร้างกรรมดีไว้งั้นก็มีแต่ดีเลยท่านยกตัวอย่างทำมิเก่าอุบาสกเกิดมาก็ทําแต่บุญนั่นเองมีลูกมีหลานก็พาลูกพีหลานทําแต่บุญเรื่อยไปจนกระทั่งเขาจะตายให้ลูกไปนิมนต์พระมามาพระก่อสวด ถามว่ายมจะฟังสูตรไหนฟังหาสติปัฏฐานสุตที่พระพุทธเจ้าทุก ท, ทุกโอโงไมละนั่นแหละพระก็เริ่มสวดเอกาญโนอายังพิทเขเวมะโคสัตตนังมิสุทิยาหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อ น, อนพระก็หยุดไม่ใช่โอกาสแนวนาวเลยกลับวัดเลยพระพุทธเจ้าก็ถามพวกเธอไปสวดเทยมฟังเลอะเลอเทเโยมฟังเลอะเลอ ไม่ได้สวดไม่ได้เทศพระพุทธเจ้าโยมเขาห้ามไม่ให้สวดเพราะว่าท่านหน่อยก็ห้ามเลยไม่ใช่ห้ามพวกเธอห้ามใครพระพุทธเจ้าค่ะวเทวดาอ๋ออย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าข่ะเนี่ยพอลืมตาขึ้นอ้าวลูกนึ ก, กวพ่อเพ้อลูกก็ร้องห่มร้องให้ตื่นขึ้นทําไมลูกร้องให้ทําไมบอกพ่อไม่เคยอิ่มไม่เคยเบื่อต่อกันทํำบูญแต่วันนี้ทําไมล่ะพอาะพระสวดพ่อก็อห้ามไม่สวด ไม่เคยมีไม่เคยเป็นเลยกลัวคติของพ่อจะตายไปไม่เกิดในที่ไม่ดียังไงอ่ะไม่ใช่พ่อมีเทวดาอารถมารับพ่อจากสวรรค์หกชั้นโน้นเทวดาแต่ละชั้นก็อารถมารับพ่อว่าเชิญขึ้นรถคันนี้ไปสวรรค์ชั้นจ่าจุมชั้นเออดึงชั้นยามาชั้นบูสิตชั้นนิมมารดีชั้นตัวนี้ไม่ตวสวัส ด, ดี พ่อก็กําลังฟังทัศนสวดก็กลัวจะเป็นอันตรายจึงหยุดก่อนหยุดก่อนให้เขาหยุดยังไม่ให้รถมาตัางหากนะลูกเฮ้ยพ่อมองไม่เห็นเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะนึกว่าพ่อเพอ้อไปเอ้าอยากลูกก็อยากพิสูจน์ที่พ่อพูดเฉยๆกันนึกว่าคนเพอ้อคนเจ็บคนป่วยมันก็น่าคิดนะอืมน่าคิดอยู่เพราะว่าใจคนนี้มันสําคัญอยู่มีบางคนนะ่ะไปนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเจ็บปูกให้ได้ป่วยที่นี่ ใจเคยทำบุญนึกเอ้าจะไปจะไปทอดกระถิ่นเอ้าจะไปเผาศพคนนั้นคนนี้จิตมันคิดไปแล้วนี่คนอาจจะนึกเพอ้อแต่ทิ้งจิตมันสำนึกในเรื่องบุญเรื่องกุศลมันมีอยู่บางคนที่จะตายประเมือนกันเน่ยมันมีจะไปทางดีเทว ด, ดาเอารถมารับแลนะ้วนี่นี่ก็พิสูจน์สวรรค์แล้วนะนี่จะพิเทศษลงพิสูจ น, น์สวรรค์นี่จะเริ่มเข้าแล้วนะอืเทว ด, ดาเอารถมารับตัง้งหกคันนนเลย ลูกก็บอกไม่เห็นพ่อเอา้าอย่างนั้นลูกมีพวงดอกไม้ไม่มีมีให้ลูกอธิษฐานนะอืมจะพอจะไปสวรรค์ชั้นเอา่เอ า, อาดูมันจะชั้นที่สี่ชั้นดูสิทธนี่อธิษฐานนะพยโยนพวงดอกไม้ไปไปคล้องอยู่ลุงรถนั่นแหละลูกก็เห็นแต่ดอกไม้ไม่เห็นคันรถนี่ตามันไม่ประณีตเหมือนตาคนใจบุญนี่พ่อใจบุญมากมองเห็นเนะี่ยรถตลาดจะรถเทวดามา ลูกเห็นเนี่ยพรมาลายนั่นแหละนั่นแหละพ่อจะไปสวรรค์ชั้นนั่นแหละแต่ลูกอยากไปอยู่กับพ่อก็ทําบุญให้มากนะนี่ตาคนธรรมดามองไม่เห็นอพอมันละเอียดแต่ว่าเป็นของมีอยู่แน่นอนปายิพุธ ก, ก็เกิดสวรรค์ชั้นรูปสิทธินั่นเลยแหละนี่แหลอย่างนี้เลยพิสูจน์ได้โดยตาเนื้อก็ยังไม่เห็นต้องตาปัญญาตาบุญแท้ลูกก็ใจบุญมาอนกันแต่ว่ายังยังมองไม่เห็น แต่เห็นแต่ดอกไม้เพราะมันหยาบอันนั้นมันละเอียดมีประนิดแล้วมาอยู่ใกล้ๆเราก็มองไม่เห็นเขาอืมตาของเรามันยังใช้ไม่ได้ตามันยังไม่ถึงขั้นแต่คนมีตาทิพย์ก็อาจจะเห็นได้แต่คนเราธรรมดานี่ถ้าเขาไม่แสดงให้เห็นไม่เห็นหรอกผีหลอกอย่างนี้ก็เหมือนกันตาเขาไม่แสดงให้ตาคุณให้เห็นก็เห็นเขาไม่ได้แต่อาจจะได้ยินเสียงอืมแต่บางคนเห็นนะเป็นผีหัวขาดแต่บางคนได้ยินแต่เสียงตึ ง, ต, งตังตึงกันมือเสียงคนก็มี อ้าวนี่ว่าถึงเราจะจะพิสูจน์สวรรค์ทีนี้เราว่าถึงกรรมซะก่อนกรรมมีสี่กรรมดำล้วนให้ผลดำล้วนกรรมขาวล้วนให้ผลดีล้วนนี่กาลังว่าถึงกรรมขาวล้วนทีนี้กรรมทั้งดำทั้งขาวมันก็ให้ผลทั้งสองอย่างนั่นแหละหังเกิดถูกคนส่วนมากเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดำล้วนกว่าหายากขาวล้วนกว่าหายากมันจะอยู่ในระหว่างดำกับขาวนี่แหละแต่โดยมากขาวมันมาก แต่ม่แน่บางคนดำมากกว่านี้นี่เรียกว่าบุญนํากําแต่งบางคนก็ ท, ทาํทาทั้งโดยส่วนมากทําทั้งสองอย่างเมื่อทำสองอย่างเขาก็ให้ผลทั้งสองอย่างเหมือนกันบางครั้งเราจะได้รับความสุขสบายแต่บางครั้งโรคภัยเบียดเบียนอ่อรอแดเดแดเดถ้าจะมาเคยเป็นเด็กนี่เออไปยิงกบอพผู้ยิงมันถูกหัวมันจับมาเป็นพวงพ่อแม่กเออ็เด็กเส่งหายกินรวย เราก็ย่ามใจไม่รู้มันบาปไม่กลัวบาปต่อขนั้นได้มากถ้าเลยยิ่งดีนี่โสมนัสเลงทำบาปเวลาอาตมามาเป็นพระเป็นโยคนุนเรยังโถกเขาทํำร้ายต้องถาหัวนี่เจาะหัวนี่นั่นเลยนั่นเลยผลกรรมมันให้มันให้อย่างนี้มันมีโยไม่ใช่มี ม, มีเวลาสบายกว่าสบายแต่เวลาทุกข์ฮับมันก็ให้ผลได้นั่นคือบาปให้ผลนะตรจำให้ดีด้วยมันมีทั้งสองอย่างเพราะเราทำเราสองอย่างวันหนึ่งอาต ม, มาอยู่ในห้องน้ํา งูตัวหนึ่งเอ๊ะบังแรกจิ้งคือขึ้นมาได้ไม่รู้มันมาทางไหนมันเข้าทําตามน้นําอ่ะทนท่อ น, น้ําฝังชันดิ่งลงมามันก็ขึ้นมาตามนั้นพอเข้ามาในห้องน้ําเอ๊ะมืดๆเลาวคาไปถูกกิ้งเกืออ้าวถ้าอย่างนี้งูก็เข้าได้จีพลาเดียววันหนึ่งงูเข้ามาในห้องน้ําเลยตีห้าเปิดไฟเอ๊ะอะไรตัวดําๆดูๆมันเคลื่อนที่ได้อ้าวนี่งูเอาไม้ชีบหลังมัน มันเจ็บมันเห่าฟอฟอเลยตลงงูกงูเห่าอย่างไรไม่รู้มันเจ็บหลังมันก็เอาถังให้เด็กเอาถังมาเอาไปปล่อยเอาเข้าถังก็จะเข้าได้สามสิบนาทีไล่กันเหือแตกกันเละปล่อยเสร็จไม่ได้ฆ่ามันแต่เขาเอาไม้ไปขีบหลังมันต้องเจ็บหลังแน่ละมันจึงจะเห่าฟอฟอองนั้นแต่เพฉะนั้นมันจับไม่ได้นี่มันจะกัดอ่ะวันนั้นแหละวันเดียวนั่นแเลยนึกสนุกอย่างไรไม่ทราบไม่เคยถือกุฏิวันนั้นเด็กถูให้ แล้วก็เอาผ้ากี่ลิ้วชุบน้าถูติให้เหงื่อออกจะได้อาบน้ําที่นี่พอถูไปถูมันน้ำต่างวัดมัธาตุมันมันเอาเข้าข้างในใ น, นะโยมนะไม่ไม่เปิดออกข้างนอกนะน้าต่างโบราณ น, นี่พอไปถึงตรงน้ำต่างมันลุกขึ้นทันทีเฮ้ยแหมไม้ขดหลังเก็บกับตายเลยนั่นอ่ะมันชีบหลังโงมันให้ผลพันตาเห็นไหมนี่มันนี่อย่างนี้กรรมเวรในฝ่ายชั่วนี่ฝ่ายดีก็เหมือนกันบางทีอาตมาทำบนนี่เน อ, อยังไม่พื้น ทำบุญพระท่านโรคศิโลหาเขาตายส่งผ้าไกลไปอยังโนนอำเภอจะอยู่จังหวัดชัยาน่นมหาเจริญเป็นพระโคเขาจะขึ้นรถไปเขาเอาปัจจัยกับผ้าไกลไปอพอผ้าขึ้นรถไปก็ได้มีคนมาถวาย แ, ลแหละบุญมากก็เกิดอยู่อย่างนี้แหละแต่วัจจุบันท่านตาบุญและบาปให้ผลมีแน่คนทําชั่วก็ได้ชั่วคนคิดลิบสยาฆ่าสัตว์ชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันมีคนหนึ่งเขาอยู่ต่างจังหวัด เขาขึ้นไปต้นไม้ไปเห็นลูกนกเขา้าแม่มันบินหนีสี่ตัวขนปีกยังมีนิดหน่อยยังบินไม่ได้กลัวนกจะบินหนีเมื่อมันโตเขาจะเอามากินแต่ขณะนี้ยังเล็กอยู่เอามุกเหล็บแหลมแทงตามันตาบอดมดทั้งสี่ตัวบินไม่ได้แม่มันก็หาอาหารมาเลี้ยงจนโตเขาก็ไปกินเวลาเขามีลูกสีค่คอนเหมือนกับนกสี่ตัวตาบอดมดทั้งสี่คนเลยนี่แหละกรรมวินเห็นไหมอืม อีคนหนึ่งลูกชายอายุเกืบเดือนพ่อสู้กัญชาบีบคอลูกตายผลที่สุดตัวเขาฆ่าตัวตายตามลูกเลยนี่กรรมเวรคนที่บริสุทธิ์เขาไม่มีจิตประทุษร้ายเนะเราไปทําเขานี่บาปหนักให้ผลชาตินี้เลยอีคนหนึ่งลูกสองคนพ่อเมาเล่ามาเอาเชือกรัดคอลูกตายผลที่สุดพ่อเขาฆ่าตัวตายอีคนหนึ่งแม่เอาปืนยิงหัวลูกอายุสามเดือนนะเธอหรือสี่เดือนนู่สมองไหลเลย คนที่สุดแม่ก็าปืนนั่นอะยิงตัวตายตามไปนี่เลยโยมบาปกรรมมันมีอย่างนี้นะสวรรค์มันก็เหมือนกันอย่างนี้ทําดีมันก็ต้องไปสวรรค์เราจะไปนรกไม่ได้แต่ทําชั่วมันก็ไปได้ทั้งกรรมจึงมีสามีสีกรรมดาล้วนให้ผลเป็นทุกกรรมขาวล้วนให้ผลเป็นศพทั้งดําทั้งขาวก็ให้ผลทั้งสองอย่างคนส่วนมากจะอยู่ในลักษณะสองอย่างดีก็ทําชั่วก็เอาบ้างอันน้นคนเราจึงทุกข์ บ้างสุขบ้างเป็นธรรมดาเพราะกรรมสร้างไว้อย่างนี้แต่บางคนก็ไม่น่าเกิดมาดูมันจะเห็นแต่ทำความดีแต่ก็ตายทั้งในอดีตปัจจุบันเช่นนายการละในอดีตนอนไปรักษาศีลในสำนักของบริเจ้าทุกวันทุกวันทุกวั น, วนตื่นเช้ารบยี่สี่ชั่วโมงก็กลับบ้านวันหนึ่งเขาก็กลับบ้านไปล้างหน้าทิสระในวัดนั่นแหละขโมยวันรักของหลพอี มาทิ้งลงใกล้ๆเขาก็ไม่เห็นชาวบ้านเจ้าของเขาตามรอยมามาเห็นแต่หอของแต่คนนั่นไม่รู้เรื่องจับนายกาลักษาตายเลยทิ้งศพไปนั่นเอาของหนีพระสงฆ์ไปอาบน้ำตอนเช้าไปหินโยมตายกันไปกราบทูลุริเจ้าัาพบพุฒิเจ้าค่าโยมกาลละไม่น่าตายเลยต้นดีแท้ๆท พระพุทธเจ้าตรปภิกษุทธิ์ทลายเทิเพิกหลูในชาตินี้ก็ไม่น่าหอกแต่ท้านึกถึงกรรมของเขาสิสมควรเกิดกรรมแล้วเมื่อไรพระเจ้าขาก็เมื่อก่อนชาติก่อนโ น, น้นเขาเป็นคนเอาคนข้ขามค่ะเรือฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโ น, น้นได้เวลามีสองคนผัวเมียมาให้พาข้ามจะเอาเมียเขาเห็นเมียเขาสวยจะฆ่าผัวเอาเมียเขาอ้างว่ามันมืดแล้ว เย็นแล้วเขาอ่อนวอนให้ไปก็ ไ, ไปไปบ้านผมมีที่อยู่ที่พักเต่ากินมีพวงนี้ก่อนไปเขาก็ข้ามไปเลยก็ต้องนอนพอตกกลางคืนมาเขาเผลอเอาแก้มันีแล้วไปซุกใส่กระเป๋าเขานี่พอถึงอจาตีห้าจะไปก็ให้สิคนอนเ น, น่ยซิกแนนจะลูก น, อน้องว่าถ้เออไให้อนค้นให้หมดนะแต่เดี๋ยวพอสองคนคขาเมียเขาเตรียมจะไปขึ้นเรือข้ามฟากก็เออะขโมยลักของคนไปคนมาก็เห็นอยู่ใน กระเป๋าของคนนั้นเพราะตัวไว้ใส่เองนี่จับผัวเขาฆ่าผัวเขาตายเอาเมียเขากรรมเวรชาตินั้นแหละตามสนองมาอย่างนี้เรียกว่ากรรมทั้งดำและขาวมันก็ให้ผลอย่างนี้พระโอติคัตทาทั้งกรรมดาและกรรมขาวชาติก่อนเป็นนายพรานนกได้จับนกมาเยอะอักแข่งหักขามันเอาไปให้เจ้าให้นายกินหายเอาเงินเงินที่เหลือแกก็ใส่บาตร ปรารถนาให้ได้มรรคผลนิพพานตายตกนรกใช้กรรมใช้เวรอยู่นานอยู่แล้วพอหมดบนหมดกรรมมาบ้างแต่ก็ออกบวชในชาติต่อมาออกบวชศาสนาพุทธเจ้าของเรานี้แหละท่านออกบวชแล้วเป็นโรคเป็นโรคเกิดตม่มเท่าเมล็ดพันธ ก, กาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวถั่วราชมาศโตขึ้นเัวขึ้นเท่าเมล็ดพุทราเท่าโนดเท่ามะตูมผลมะตูมอะไรทีเนี่ยโตขึ้นเัวขึนแตกเยอะเหมน ตาดวแตกเออพระก็ไม่ปฏิบัติทิ้งเลยพระเจ้าเดินเลียบไปเห็นเข้าโอ้พ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีไม่มีมมมมมมมมใครดูแล อ, อุปถัมภ์ท่านพระเจ้าก็ไปต้มน้ําร้อนอืมเอารางมาพระเห็นอยู่ไม่ได้ต้องมาช่วยไม่ต้องทําแล้วข้าพระองค์จะทําเองพระก็ไม่ช่วยพระเจ้าต้มน้าร้อนเอาใส่รางเอาน้ำเย็นผสมพออาบได้เอาท่านไปลง ล้างเช็ดโถนเครื่องหมดแล้วเอาผ้าทัานไปตากแดดแล้วเช็ดตัวเสร็จพระพุทธเจ้าก็ไปยืนอยู่ที่หัวนอนของท่านตรัสว่าภิกษุร่างกายเธอนี่เหมือนทอนไม้เลยดูมืนนะทรามไรวิญญาณแนละ้วมันจะมีความหมายอะไรเลยมันจะต้องเป็นเหยื่อของพวกอยู่ตรงนี้แหละฉันใดร่างกายเธอก็ฉันนั้นและจึงเทศให้ฟังว่าอกิรังวัตยังกายโย ปัทเทวิ่งอติสิทธิทุตโตอเปตวิญญาโนนิรัตังวกริงขระทิกงสุร่างกายของเธอเลยเพราะเธอนี้ไม่นานเนืมถ้าไร้วิญญาณแล้วก็จะถูกเขาถอดทิ้งเหมือนกับท่อนไม้เลยดุนฟืน้นจะต้องเป็นเยือของปวกฤยูตรงแผ่นดินนั่นแหละต่างกายเธอก็เหมือนกันอย่างนี้อาชิรังวะตยังกายโยโอ้กายนี้ไม่นานหนอบังเกิดก่อแล้วกลับกลาย หลุดจะพองแห่งน้ำลายแล้แตกตับโดยฉับพลันย่อมถอดทิ้งดยุจะรุ่นพื้นกลิ้งเหนือพื้นสุดหาเทียวพองช้ำเน่าดำเขียวส่งจินฟุ้งโบวิวางดูเถิดท่านทาหลายบุรุษนายขนานางควรตรงปัญญาทางประมาจอัธถ ร, รมพรพยานปรากฏแจ่จากสุดแหบบปิดวงังควรชิดพินิจจำหีบุกน้ำอันเลเห็นนี่เห็นไหม หีบศพที่ตามเมนเพราศพต่างๆนั้นแหละเป็นเทวดาสอนเราเรียกเทวทูตเราก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่าท้าอีตังตัท้าอีตัง ย, ททงยททง่ท้าอีตังตัทาอีตังร่างของคนตายชั้นใดร่างของเราก็เช่นนั้นแต่คนเราไม่เกิดความสังเวชสรุนใจเพราะปัญญาไม่เกิดอืมเห็นเขาตายก็ไม่นึกถึงตัวนึกถึงตัวก็ไม่คิดจะหลีกจะหนียังมัวเมาอยู่กับโลกอยู่นั่นเขาเรียกเมา มองในชีวิตมองในความมีโรคมองในคนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เพราะขาดตรญยาเพราะขาดสติพระพุทธเจ้าตึงเตือนไปเสมอณนะสันติปุตตาตาไนายะนะพิตาณพิพันธวา่าเมื่อถึงขราวพยามัจจุราชเข้ามาแล้วลูกก็ดีเมีย ก, ก็ดีสมบัติก็ดีอยากก็ดีช่วยไม่ได้เลยตัวใครตัวมันแอะ ทำมาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นมาอย่างไรก็ต้องไปอย่างนั้นเท่าที่ลำเราสร้างมานั่นแห ล, ละเวลาตายภาพพื้นเดียวก็ไปได้เวมาเกิดก็ไม่ได้มาสักผืนหนึ่งแต่บุญก็บาปออกไปได้สองคนหามสามคนแห αι, คนหนึ่งนั่งแคร่สี่คนแก่ไปมีโบราณทันว่าสองคนหามได้เก็บบุญบุญหามขึ้นสวรรค์บาปบนหามลงนรกนะฮิธมโมอัธมุจะโอโผสมวิปายินโน ธรรมโมนี้เรายังในติธรรมโภเพปาตาเปติสุกติงบุญและบาปมีผลไม่เหมือนกันบาปมันนําเราไปตกนรกบุญนําไปขึ้นสวรรค์ น, นี่ก็แสดงว่าสวรรค์มีใชนมะละพิสูเดเลยแล้วนะพระริเจ้าเทศไปเองในพัะไตปิฎกเรื่องสวรรค์กับพระริเจ้าเทศนรกกับพระริเจ้า เ, เทศเมื่อเราเชื่อนรกก็ต้องใช้สอ น, นอีกพ่อคนเดียวเทศนีน่นะไม่ใช่คนอื่นเทศนรกเปรตอสุรกายสัตว์นิริานะในประเภทอบายกับผม เออพรมเดียวกันนะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดชานนีอวัยพงแต่สัตด์เดชารามองเห็นช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เห็นเราจะเชื่อเฉพาะเท่านี้ไม่ได้เปรตอสุรกายมันเป็นอาทิตสมนากายมันละเอียดเรามองมาเห็นเราจะไม่เชื่อไม่ได้ถ้าไม่เชื่อนั้นพวกหมูหมาเป็ดไก่ก็ไม่ต้องเชื่อสิพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันในเทศวัยในคำพีเดียวกันเนี่ยมันมีอยู่นี่ เรามองเห็นแต่ที่ไม่เห็นเราไม่เชื่อมก็ไม่ถูกใช่ไหมเพราะปัญญาเราไม่มีนี่เอาดูไ ง, ไง่ายๆแค่ขนตามีแท้ๆมองเห็นอะไรอยู่ใกล้นิดนเดียวออกใครมองเห็นขนตาบ้างไม่มีหรอกเห็นว่าจะมีกระจกเออใช่กระจกก็เหมืนปัญญาถ้ามีปัญญามันก็เห็นนรกสวรรค์เหมือนกันไม่มีผิดหรอกเพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าหอยก่อนนั้นปลอดภัยที่สุดเดินตามทางผู้ใหญ่หมาไม่กัดที่โบราณทนว่า ถูกพ่อเท็จจริงแล้วเกินเชื่อพ่อเชื่อแม่ไว้ไม่เป็นไรเชื่อพระพุทธเจ้าไม่เป็นไรเรียกป่อยเราสามารถเกี่ยวตัวรอดได้อะล่ะนี่เรียกว่ากรรมดำล้วนกรรมขาวล้วนกรรมทั้งดำทั้งขาวอืมแล้วก็กรรมไม่ดำไม่ขาวคืออะไรมรรคกรรมวิปัสสนากรรมฐานไม่ดำไม่ขาวเออให้ผลเป็นทุกข์อย่างเดียวนะล่ะว่าเรื่องกรรมที่ในละดอกนี่มีจริงไหมมีจริง สวรรค์จริงไหมมีจริงสวรรค์อยู่ที่ไหนอยู่บนอยู่เหนือมนุษย์ถึงไปโน้นจากนี้ไปถึงแปดหมื่นสี่พันโยธอ๋อมันไม่ใช่ใกล้นะจากที่มนุษย์ที่เราอยู่นี้มันไกลโยเพราะฉะนั้นเราจะมาว่า เ, าเองไม่มีไม่ได้เพราะมันเป็นของที่มีอยู่นี่หากจากมนุษย์เราไปมันเท่าไรเท่าไรกี่โยต์พระพุทธเจ้าท่านบัดไปหมดแล้วนี่เราจะ ว่าไม่มีไม่ได้เพราะปัญญาของเรายังไม่ถึงขั้นที่เราจะพิสูจน์อย่างนั้นดังนั้นเราก็ต้องเชื่อพระเจ้าไว้ก่อนอืมพระโต้งตัดไว้แล้วในพระไตรปิฎกมันเป็นของที่มีโยเราพุที่ยังไปไม่ถึงยังไม่พบมีปัญญาจะปะเดิเศษไม่ได้ท่านกล่าวถึงว่ามันทางนี่ห่างจากเมืองอสูนตั้งแต่ระยะทางไปสวรรค์นี่นะท่านกล่าวไว้ในคัมภี์โล ก, กทีประสาน ว่าอาสุระปุระโตนิยาวมนุษยสพมิโตจตุราสิติโยชนาศาสนิหนติตั้งแต่เมืองอศูนถึงเมืองมนุษย์อีกแป่นสี่พันยด เ, ยเห็นไหยตั้งแต่มนุษย์ถึงชั้นจาตุม เ, เนมี่ยสี่นพันยเฉพาะชั้นจาตุมนไมสี่หมื่0สองพันยอดยชดหนึ่งสี่ร้อเส้นมีใครขึ้นไปหรือเปล่าเครื่องบินก็ไม่ถึงขนาดนี้บินก็อยู่ใกล้ ดวงอาทิตย์นี่มันก็ยัอยู่ไกลมันก็ยังไม่ถึงอย่าเลยดวงอาทิตย์ก็นไปอีกมันยังมีอีกลองดูซิมีมนุษย์คนไหนขึ้นไปถึงบ้างผงก็แค่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แต่จากชั้นจ่าตูมถึงชั้นดาวดึงดูซิเนี่ยจากชั้นอสูร น, นี่ไปถึงอสูรก็พวกนี้แหละพวกขาวจัตโโล ก, กบาลทั้งสี่เขนี้มันก็ตั้งสี่หมื่นสองพันยอดแล้ว ทีนี้จากชั้นจากตูมขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงก็ตั้งสี่หมื่นสองพันยอดแล้วนะยะทางมันเยอะไม่ใช่ใกล้เลยจากพื้นแผ่นดินขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงเป็นระยะทางตั้งแปดหมื่นสี่พันยอดองนึกดูสิตั้งแต่ชั้ดดึงไปถึงชั้นยาไมา้ตั้งสี่แสนสามืนสี่พันยอดแล้วตั้งแต่ชั้นยามาถึงชั้นดุสิตอีกตั้งเจ็ดล้าน สี 4, 48, ่แสนสี่มืนแปดพันยรู้ที่ไม่ใช่เบานโยมนะจะมีมนุษย์ที่ไหนไปได้ว่างล่ะแล้วต้องไปด้วยอะไรต้องไปด้วยอภินยาออรู้ต้องรู้ด้วยปัญญาดูพระมหาโมคันลาสิท่านมีฤทธิ์มีเดชท่านเหาะไปได้แล้วพระบางองค์จะวิมานของนั่นน่ะฉันจะตูมมันว่างท่านไปพักตรงนวันน่ะออขกันไปพักโน้ น, น, น, น ว, วิมานโน้นก็มี มหาโมคคลานะ่ะเหาะไปสวรรค์ก็ได้เหาะไปลงนรกก็ได้แล้วเป็นําเอาข่าวสารจากสวรรค์มาบอกมนุษย์ว่าญาติของท่านคือ น, นั้นคือ น, นั้นทําบุญอย่างนั้นไปเกิดสวรรค์ท่านนั้นโอ้คนก็เกิดลาบสักุลละมากเฮาลงไปนรกไปดูซิญาติของท่านคือ น, นั้นทําบาปตกนรกคมนั้นมาบอกให้คนก็เลื่อมใสสัตยามากลาบก็เกิดขึ้นเยอะจนกรทั่งพวกไอ้เดลเทีอะเขาไปชมกันจากข้า ว่าใครนาะเป็นคนลาบทำไมเกิดขึ้นแก่พวกปุริเจ้าเยอะพวกเราจะทไมเสื่อมลงไปใครรู้บ้างคนหนึ่งบอกว่ารู้ก็พระพมกขลางไงล่ะน่าตกลงจากนั้นเราฆ่าเรียรายเงินกันได้เงินก็จ้างพวกโจรที่มันจับคนฆ่ามันไปฆ่าบอกเลยท่านอยู่ท่านอยู่กาลศิลาเนี่ตอนนั้นพักอยู่กาลศิลาเพราะเขาเป็นล้อมครั้งแรกล้อมท่านเหาะนี้ิีฤทธิ์เนี่ย ขั้งที่สองล้อมอีกเหาะนี้อีกพอขั้งที่สามนึกถึงกรรมชาติก่อนต้องมีกรรมแล้วอ๋อชาติก่อนเคยฆ่าพ่อกับแม่เพราะงั้นชาตินี้ต้องให้เขาทุกกระดูกท่านท่านก็ยอมให้เขาจับจับเขาก็ไตโอ้ยไตกระดูกแตกหมดนั่นแหละเขาก็นึกตายยโยนทิ้งไว้ใส่ไก่กองขยะนั่นแหละเสร็จแล้วท่านก็นทิษฐานประสานกระดูกด้วยอํานาจชาญเหาะไปเสนอกุฎิเจ้าลา อยู่ไม่ไว้นี่ลานิพพานนลยนิพพานก็เทศแต่ฉันฟังก่อนหาพระญาณิยะท่านก็เคาะขึ้นแล้วก็ลงมาเทศถวายพระเจ้าแล้วก็นิพพานนี่เรียกว่ากรรมด้วยทั้งกรรมทั้งบุญด้วยกรรมก็ทําบุญก็ทํากรรมก็สร้างมันมีสองอย่างนะดังนั้นผู้ที่จะไิสู่สวรรค์นี่ะอะไรสวรรค์สวรรค์ห่างจากมนุษย์เท่าไรแปดหมื่นสี่พันโยช์นี่ มีใครขึ้นไปว่างเปิ 14, ดมือสี่พันยอดนี่ทีนี้เราจะพิสูจน์สวรรค์พิสูจน์อย่างไรต้องพิสูจน์ด้วยปัญญาไม่ใช่พิสูจน์ด้วยธรรมดาง่ายๆครั้งแรกเราต้องนึกถึงหลักฐานซะก่อนอืมเหมือน ก, นกันกับนรกนั่นนะ่หนึ่งเราเชื่อตามพระพุทธเจ้าซะก่อนเหมือนกับเราเชื่อพ่อกับแม่ของเราพระพุทธเจ้าท่านมามีเราก็ตอบว่ามีทั้งที่เราก็จำไม่ได้วันเกิดของเราเกิดวันอะไร ตกจากท้องแม่ไม่มีมนุษย์คนไหนจําได้เลยแต่โตขึ้นมาพ่อกับแม่บอกเราก็เชื่อเขา้าระดูกจ้ำว่าเราเกิดวันนั้นจริงถ้าพ่อแม่กโกหกเราก็ต้องเชื่ออันนั้นพ่อแม่ในทางโลกที่พ่อของเราคือพระเจ้าในทางธรรมท่านเห็นฟ้ามาก่อนเราหมดแล้วท่านทราบผลแล้วว่ามีนรกกี่ขมกี่ขมท่านมีพระปีชาฉลาดสามารถเป็นโคของเทวดาในมนุษย์ ท่านเทศนวเราก็เชื่อท่านเหมือนกับเชื่อพ่อแม่ว่าเกิดป้านยนั่นแหละแต่การที่สองขนตาเรามีแต่เรามองไม่เห็นเพราะขาดกระจกสวรรค์มีไม่เห็นเพราะขาดปัญญาข้อที่สามกิจดวงไหนที่มันไปเกิดสวรรค์มหาโศุศนมหากุศล์แปดตายด้วยกิจมหาโคศน์นี่เราไปสวรรค์แล้วก็กิจของเรานี้ในตัวเรามีไหมมีก็สามารถไปสวรรค์ได้ทีนี้ต่อจากนั้นเกิดเครื่องต่างๆที่จะพิสูจน์ ความีิสูจน์โดยอะไรดูตัวอย่างเช่นมัทกุลนาลีเนี่ยเพียงเลื่อมใสพระพุทธเจ้าตายก็จะไม่เกิดสวรรค์กบฟังพระพุทธเจ้าเทศลิมสาบโบคนันีถูกก็ตีหตตัตายก็ไปเกิดสวรรค์ทั้งข้าวฟังพระสวดโดยต่มตายก็ไปเกิดสวรรค์มีเยอะตินนบานเทพปรบุต้าหน้านี่ห น, นหน้ากรถินตินนบานเทพปรบุตน่ะนนเห็นไหมอือ ตายก็ได้ไปเกิดทอดกระถินก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เออเลยนึกถึงเรื่องเมื่อวันซ้อมกรถินที่วัดนี้ทีพมพรมธาตุโต๊ะกลางคืนพระแขกตกตะลึงเลยมันเสียงอะไรโอ้เสียงอื้อทึกเคือคมอะ่ะตนพระต้องตื่นต้องพากันมาดูมันอะไรกันแน่นี่ก็เข้าใจว่าเท พ, พเจ้าสมเด็จกรมราชสว่างวอนท่านคงดีใจอะ่ะที่ในหลวงประวัติสมเด็จพระเจ้าหัวจะเสด็จไปทอดกระถินนี่เออ พอตรงดีใจเกิดโกรังโหนเสียงดังพรีฟิสสถานอยู่ที่บวรลงมาธาตุวัตมาธาตุนี่ก็เลยนึกถึงเรื่องตินาบานนะนี่เขาพอพูดบางทีคนขนลุกเลยเนี่ยนี่ประบาทชนโดยไป อ, อยู่หัวไม่ได้เสด็จทอดกระถินตั้งยี่สามยี่บสี่ปีหรือยี่บแปดปีแล้วพอท่านเสด็จไปวันที่สามเทานั้นแหละเออตกกลางคืนวันที่ซ้อมกรถินเสียงกึกกทึกออคึ้โหมดังจน พระต้องตื่นวิ่งก็เลยไม่รู้มันเสียงอะไรนี่เข้าใจว่าเทวดาเจ้าของท่านผู้สร้างสถาบันาวัฒธาตุสมเด็จกุมราชเทวมรรทบางคืนแต่ก่อนนอนของ เ, ขเห็นแต่งตัวใส่เครื่องขาวมีเลียนตาเต็มเลยยืนประมาณกี่สองนี่พระก็เรียกจะมาดูไนงะอาจจะไปเป็นเทวดายอย่าง่วงแต่คนสมผานวัาตนองค์ขอนท่านป่วยบอกว่าทศทวนนมไม่เสร็จไม่ตายท่านก็หายวันหายคนืนขึ้นมาแสดงว่าท่าน สร้างโบสถ์วัดธาตุดีเป็นประโยชน์เจอะยติรวมไหลายร้อยหลายพันทีเดียวไปไหวพระสมมนุนลักษา์ศีลฟังเทศฟังตลอดกันเลยเลยไม่ขาดไมเพิ่มกันเลยท่านสร้างวัดไปดีเป็นประโยชน์ต่อมากนี่แหละคนสร้างบุญสร้างกุศลไว้มันก็ได้อย่างนี้อันนี้เอาย่อยๆซะก่อนนะจบแล้วนะหมดเวลาแล้วกันนี้จะเบี้ยวอย่างกันที่สองสอบอีกนะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทังหลายไอ้ไปัญหาเรื่องพิสูจน์สวรรค์นรกขุดมาแล้วพิสูจน์แต่อะไร การพิสูจววนสวรรค์นั้นสวรรค์แปลว่ามีอสุอักขะมีอารมณ์เลิศดี ด, ดีมีอะไรกแต่ดีๆทั้งนั้นไม่เหมือนเมืองมนุษย์เราเพราะว่าสวรรค์ น, นี่มันหากก่างไกลกันมากกับเมืองมนุษย์เหล่าเป็นเทวดาเขาเรียกว่าทิพสุขสุขทิพสุขของเทวดามนุษย์เราเรียกว่ามนุษย์สุขสุขของมนุษย์มันสุขยากยากสุขเกลือนด้วยกิเลสตัณหามากไปข้าพันนันแทงกันซารพัทอย่างดีคิงดีคิงเด่นกัน แต่เทวดาเขาสุขละเอียดสุประณีตของมนุษย์หลายหมื่นหลายแสนเท่าคนจะได้รับความสุขในเทวดาก็ต้องมีบุญไม่ใช่ไปเพราะบาปไปพบผลบุญแท้ๆที่ผู้ที่จะพิสูจน์ว่าสร้างความดีกันอยู่สิเราสร้างความดีแล้วเราสบายไห้อ๋องง่ายประตูวังเปิดทําไมไม่ไปเกิดในวงังก็เพราะบุญไม่ถึงประตูนรกปิดทําไมไปกิจตารางก็เพราะบาปมันให้ผลเราไปทําบาปไว้เนาะต้องให้ผลอย่างนี้แหละ เพราะะนเราจะพิสูจน์ก็พิสูจน์โดยปุณและ บ, ะบาปประการที่หนึ่งพิสูจน์ด้วยวันเกิดเกิดวันอะไรเกิดวันอาทิตย์แน่เหลยนะแน่เวลาตกจากท้องแม่จําได้ไหมจําไม่ได้แล้วจะเชื่อใครเชื่อพ่อกับแม่เออนี้เราก็ต้องเชื่อพระเจ้าเจ้าสียพระเจ้าทจ้าวันสวรรค์มีนี่ก็เหมือนกันอย่างนี้นะข้อสองขนตามีไหมม่มองดูสีเห็นไหมไม่เห็นทําไมล่ะมง็ไม่มีกระจก นรกสวรรค์ก็เหมือนกันไม่มีปัญญาเห็นไม่ได้ต้องมีปัญญาดูสิขนาดนายธรมิกาอุบาสกะรถมาจากสวรรค์หกคันลูกยังมองไม่เห็นพ่อยังเห็นว่ารถมาจากสวรรค์หกคันโนดจะมาเชิญขึ้นไปเกิดสวรรค์ชั้นรูสิษฐ์กับอวัยวุโสเทวดาอยากได้ไปเกิดชั้นใดชั้นหนึ่งชั้นจะตรงกาะรถมาไปเมืองเองสันเถอะ ดีนะอา้าวฉันดาวดึงก็ามาอา้าวฉันยามาก็ามาฉันดูสิตก็ามาฉันนิ ม, มาลดีก็ามาฉันปิมิตตาวสวสดีก็ามาเลือกเกิดได้เห็นไหมคนมีบุญมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้เราพิสูจน์ด้วยขนตาอา้าวขนตามีแต่เราไม่เห็นก็เหมือนกันกับเราขาดปัญญาสามพิสูจน์ด้วยจิตบาปกิตปุ่นจิตบุ่นมนไม่มีเออมหาโกศนแปดยันเป็นจิตปุ่นเท่านั้นเลย ถาด้วยจิตนี้ไปไหนบอกว่าทํามหาขดสนไปเกิดสวรรค์หกชั้นเป็นธาตุอดกรถินถอดปลาปลาฟังเทศฟังธรรมจิตมหาขดศนตายด้วยจิตนี้ไปสวรรค์ไปถือไม่ได้เพราะมันใจของเราเป็นขดศนเป็นบุญเมื่อจิตบุญมีมันก็ต้องไปสวรรค์แน่จิตบาปคนมีนรกเมื่อเราทราบบาปมีบุญก็ต้องมีของคู่กันเหมือนดํากับขาวต้องเป็นคู่กันเสมออ่านี่อย่างนึงข้อต่อไปพิโชด้วยตัวอย่าง คือประสบการที่คนได้ทําบุญไว้แล้วเขาตายไปเกิดสวรรค์นันทิยานพสร้างตลาถวายพระเจ้าไว้แล้วพอกรวดน้ําใส่พระหัตถ์พระเจ้ามีวิมานร อ, อยคออยู่แลยความมหาโมกขลานะเหาะขึ้นไปบนฟ้าไปเห็นเทพโอษฐ์เ ท, ทวดานั่งเต็มในวิมานของใครของนันทิยานพสรนันธรรมานพอยู่โน่นนันทิยานพสรอยู่มนุษโน้นยังเป็นมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าคอยนั้นแล้วพอคนเจ้าลงไปบอกให้ขึ้นมาไว้หน้อย มันกล่าวถึงว่าคนทําบุญไว้ดี่เหมือนกับพุบถาดดินจะไปถาดทองคําไม่ต้องมาห่วงร่างมนุษย์เนี่ยตายไปได้สุขสวรรค์ น, น้นดีกว่าก็พระมหมาโมคคานาณะก็สงสัยกลับเหาะลงมามาถามพระเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข่ะคนที่ยังไม่ตายทําบุญแล้วเนี่ยไมมีวิมานรอคอยอยู่ข้างบนฟ้าหนนี้หรื อ, เ, อเธอก็ไปเห็นมาเองไม่ใช่หรือมาถามตถาคตทำไมนับใม่ทวนเนี่ยเห็นไหม นี่ก็แสดงให้ตัวอย่างมีแล้วใช่ไหมล่ะาตายก็ไปเกิดสวรรค์็เพระบนผอมหากุศลเวลาจะไปมันเป็นยังไงท่านกล่าวว่าเิ่นคนจะไปเกิดสวรรค์นเนี่ยเคยทำบุญไว้เวลาใจจะขาดมันมีกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตเรียกเขาขั้นเข้าขัาข้นโคมา่าหมายถึงว่าประสาททั้งห้าตายหมดตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกไม่ได้กลิน่นลิ้นไม่ได้รส กายรู้สึกไม่รู้สึกสัมผัสกินน้อนอ่อนแข็งแล้วแต่ใจรู้จะไปทางไหนทางไหนเห็นหมดเลยจะไปสวรรค์ก็นึกถึงบุญที่ทอดกับถิ่นแล้วนนั่นเรียกว่ากุศลกรรมนึกขึ้นมาได้กรรมนิมิตภาคไก่สวงจีวรของอุปกรณ์กัถิ่นเห็นเต็มเป็นแถวเลยนั่นก็เรียกกรรมนิมิตหมายให้รู้ว่าได้สร้างบุญมาแล้วคัตินิมิตพอได้ดกินพบเกิดในสวรรค์เลยถ้าเป็นอย่างนี้นะเช่น ผู้หญิงคนหนึ่งบวชลูกชายเป็นนีน้อยทีนี้ก็งานก็ทุกข์จากลำบากหาอยู่หกินขาสัจจะคิดว่างเวลาจะตายภาพไปอไวอิกีนรกมันปรากฏนึกถึงจวอนลูกชายพับเปลี่ยนจิตเลยไปสวรรค์เลยนะอยู่มาวานเจ้าขาถามเออลูกชายฉันก็ได้บวชนี่เออลูกชายจะบวชได้ทำบุญนึกได้ขึ้นสวรรค์เลยนะนี่ก็ตัวอย่างยังมีอีกเยอะ อทำมีเกาอวสช ก, ก็เป็นตัวอย่างอืมนางรลักเท ว, เ ท, วทิดาเอาขั้วข้าตอกไปซ้ายพกไปใส่บาทพระอืมงูกัดตายพกเกิดในสวรรค์ชันโดดึงเแม่มีมากอยู่นะตัวอย่างโอ้ยนับไม่ถ้วนถวายอ้อยถวายอะไรก็ไปเกิดสวรรค์ได้ถอดกระถิ่นถอดปะป า, ปาจะยกมาตัวอย่างที่ว่าสวรรค์น่ะเขาติดนับบานเทพบุตรกันเลยกันนะเอาสักตัวอย่างหนึ่ง ผู้ที่ได้ทำบุญด้วยอันทอดกระถินนี่แหละพระคณะนี้หน้า น, นาี้นากระถินตินบานเทพระบุทเนี่ยทั้งศาสนาของพระกัตปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบุรุษเ็นใจไราญาติพี่น้องทั้งทรัพย์เงินทองก็ขาดแคลนอาศัยเลี้ยงคีบอยู่ในเมืองพารณสีเข้าไปสู่สำนักสิริธรรมมหาเศรษฐีแล้ววิงวอนขออยู่เป็นลูกจ้าง ท่านเศรษฐีถามโดยความปรานีว่าเจ้ามีสรัประสาท์อะไรบ้างบุรุษเห็นใจก็ตอบว่าหาพระเจ้าไม่มีวิชาอะไรเลยมีแต่กำลังกายเท่านั้นท่านเศรษฐีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงไปรักษาไรย่าให้เราเถิดเราจะให้ข้าววันละหม้อวันละหม้อแต่บัดนั้นเป็นลำดับมาบุรุษเห็นใจก็รักษาไรยาเลี้ยงชีวิตอยู่ณสถานที่นั้น จนมีนามปรากฏสืบสืบมาว่าตินนบาละหรือตินนบาลตลอดกาลบัดนี้อยู่มาในกาลวันหนึ่งตินนบานบุรุษดำริว่าตัวเรานี้ในชาติปังก่อนคงไม่ได้ทำบุญกุศลอันใดอันหนึ่งไว้เลยมาถึงชาตินี้จึงเป็นคนยากไร้เขินใจแต่อาหารจะรับประทานวันหนึ่งหนึ่งก็ทั้งยาก ยิโตปทายะจำเดิมแต่นี้เป็นต้นไปเราจะขนขวายให้ทานทุกทุกวันแล้วจึงจะบริโภคต่อภายหลังเมื่อตั้งศัตจธิฏฐานเช่นนี้แล้วก็แบ่งอาหารที่เศรษฐีให้นั้นออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งถวายแก่พระภิกษุสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้บริโภคปุรษนั้นได้ทำดังนี้ตลอดมาด้วยอำนาจปุญกุศลที่จินบาก กระทำอยู่นั้นทราบถึงท่านสิริธรรมมหาเศรษฐีจึงได้เพิ่มอาหารให้อีกเป็นสองส่วนอินับบาลจึงแบ่งอาหารนั้นออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งถวายแจกพระภิกษุสงฆ์ส่วนที่สองให้เป็นทานเ จ, ยยจียจกส่วนที่สามตนเองบริโภคกระทาดังนี้เป็นลําดับตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งเป็นฤดูออกพรรษาประชาชนพุทธบริษัท ะกันกระทธรรมกันทิมนาฏฐานเพื่อถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาในอาวาสสิ้นไตรมาสสามเดือนแล้วให้ได้รับอานิสงส์ห้ามัติกา8ทปาทันสิริธรรมมหาเศษฐีอีกผู้หนึ่งในการทำบุญกุศลในคราวนี้ติน บ, บานบุรุษมาดำริในใจว่าทานชนิดนี้เห็นจะเป็นทานที่ประเสริฐแน่นอน ดูประชาชนไม่นิ่งนอนใจช่วยกันทําลายคนนักมีความตริตรองเช่นนี้แล้วเข้าไปสู่สํานักท่านเศรษฐีถามถึงอานิสงส์อานิสังส์กผลของกถินาานัทานท่านกล่าวถึงคุณานุภาพของกถินาานัทานโดยละเอียดจนปินลาบานบุรุษเข็นใจเกิดศรัทธาแก่กล้าถามถึงเวลาที่จะถ่ายทานท่านเศรษฐีก็บอกว่ายังอยู่อีก เจ็วันติน บ, บาลก็กลับมาสู่ที่อยู่ของตอนคิดถึงสิ่งของที่จะนำไปเป็นวัตถุทานก็ไม่มีเห็นอยู่แต่ผ้าน่งพื้นเดียวเท่านั้นที่จะนำไปเข้าส่วนกระถินนทานได้เงย น, นึกว่าจะเปลื้องผ้าออกทำทานเช่นนั้นตัวมัทธิรยะเหนียวแน่นเล่นมากางกัน้นเสียว่าถ้าเราสละผ้าพื้นนี้ให้เป็นทานแล้วจะได้ผ้าที่ไหนมาน่งเล่า เราก็มีผ้าแต่พื้นเดียวเท่านี้ในที่สุดก็เกิดศรัทธาแก่กล้าเปลี่ยงผ้าออกมาได้ส่วนตนเองก็นำเอาใบไม้มาทำเป็นผ้านุ่งป้องกันคมระอายแล้วนำผ้านั้นไปซักฟอกแล้วจึงย้อมน้ำฝาดให้ละเอียดจึงรีบกลับเข้าไปหาท่านเศทษฐีมอบอนุโมทนาผ้านั้นเข้าเป็นส่วนบริขาร มาบริวารมหาคตินั้นส่วนท่านเศรษฐีครัน้นได้รับอนุโมทนาซึ่งผ่านของตินาบานบุรุษนั้นแล้วก็ได้นำผ้าผืนนั้นเข้าบริวารเพราะว่าผ้าบริวารขาดอยู่ผืนหนึ่งแล้วนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์โกราหังฉาดตังเสียงโกราหนก็บังเกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยสัจธรรมเนียงเสียงสาธุ ก, การของเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในพระคร น, นั้น และอากาศัทธเทวดาก็ร้องสาธุ ก, การตลอดไปั่วปัทภีมณฑ น, นราชาปิปายพระราชามหาัษัตเมื่อได้ซองสดับเสียงโกราหนหน้าพิลึกสะพึงกวฉะนั้นก็ตกพระไทยกลัวแต่มรณะภัยจะมาถึงพระองค์รับสั่งให้หาปโรหิตแล้วตัดถามถึงเหตุถึงเรื่องโกราหนอื้ออึง อ, อันเกิดขึ้นนั้น เทวดาที่รักษาอยู่ณเสวตชัดจึงมีเทวบัญชาว่ามหาราชะดูก่อนมหาบอพิษเสียงโกราหุนนี้มิใช่ภัยจะมาถึงพระองค์เป็นเสียงแห่งเทวดาในหมื่นโลกกระทะให้สาธุ ก, การอโมทนาส่วนโบนซึ่งจินบาลบุรุษอนาถารักษาราัยะแาห่งท่านเศรจฐีในเปลืองผ้านุ่งของตนออกมาเข้าส่วนกฐินพระพุทธเจ้าคา ขอพระองค์อย่าได้สะดุง้งวาดวันตกพระไทยไปเลยแต่นั้นพระชาก็ทรงปีติกินดีรับสั่งให้หาตินบานบุรุษพร้อมทั้งทรงผ้าสาดกคู่น้นราคาผืนละแสนบาทไปพระราชทานนายตินบานก็นุ่งผ้าสาดกคู่นั้นเข้ามาเฝ้าพระราชาท่านแล้วพระมหากษัตริย์ทรงขอซื้อส่วนกุศลด้วยทรั์ มีประมาณพันหนึ่งทวีขึ้นไปเป็นลำดับลำดับจนถึงแสนกะหาปณะจินบาลก็ไม่ขายให้ตามพระราชประสงค์แล้วจึงกราบทูลว่าจะทรงซื้อโดยทรัพย์นั้นไม่ได้รอพระพุทธเจ้าค่ะถ้าพระองค์จะอนุโมทนาส่วนบนนั้นได้เยอถ้าพระองค์จะถวายครึ่งนึงราชามีพระทัยยินดี ให้ตีค้องร้องฝาลตลอดทั่วพระนครแล้วพระราชทานช้างม้าโคประบือราชรถพาทาหญิงชายนักสนมกรมวังอย่างละน้อยละน้อยทั้งเครื่องประดับอาภรณ์ปรางครปราศาสเตรชัดบูชายเจตินาบาลบุรุษเป็นอันมากแล้วตั้งไว้ในตำแหน่งเศรษฐีออก้ากระหะบาดีเศรษฐีหากันสทรพย์นับจานวนเป็นกฎโกร ออกูชาคุณตินาบานเป็นสมบัติอันมากมายที่ตินาบาในใดแล้วนั้นก็ด้วยคุศสละกิจณาอันยิ่งครั้นทําการและกิริยา ต, ตายลงก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนจิริธรรมเสรษฐีเมื่อจุติไปก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเช่นเดียวกันขั้นถึงพุทธศาสนาของพระศรีอริเมตรายสัมมาสัมพุทธเจ้ารงมาตรั ตินบานเทพประบุตรก็จะได้จุติลงมาโอวัตรเป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ามันทาละวั ด, ดีครั้นต่อมาได้สวยสมบัติแทนพระราชิดาายหลายเป็นหมื่นที่หมื่นปีก็ออกบวชเป็นเอหิภิกขะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ศีนาศสาวกของพระศีอริเมศไตรพุทธเจ้ามีนามปรากฏพระสินบานนาธระ ตัสมาซาโวเมื่อสาธุชนพุทธบริษัทได้ทราบเรื่องราวแห่งจินาบาลบุรุษโดยเจมแจ้งแล้วจึงรื่นเริมในปุสสะจิ ต, ตนาสัมมาปฏิบัติที่ท่านได้ทำแล้วในเวลาวันนี้เถิญท่านสาธุชนพูดใจวุ่นทลายนี่เป็นตัวอย่างที่ว่าพูดที่ได้ทอดสถิและมันมีอานิสงส์เป็นประการใดบ้างนีเรียกว่าพิสูจได้ง่าย ทีนี้ชาจะพิสูจน์ให้ละเอียดต้องพิสูจน์ด้วยปัญญาปัญญาต้องคันวิปัสนาเมื่อเจริญวิปัสนากรรมฐ า, านแล้วผ่านญานที่หนึ่งนามรู ป, ปะปริเีตญาณเยกรู ป, ปรนามออกจากกันได้ผ่านญานที่สองปัจจยะปริฆายานรู้เหตุและผลของโลกในนามผ่านญ า, านที่สามสัมมสัญญาณพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขงังอตตาผ่านญานที่สี่พอยานที่สามนี่ก็สำคัญนะ โดยมากข้าไปเห็นสอบไปดูนรกไปดูสวรรค์แต่มันปลอมญานนี้ยังไม่สูงยังไม่ใช่แท้ยังไม่ใมช่ชันภาวนาอยู่ในขั้นอินตาอยู่ในขั้นอิปสเนกแต่คนมัติสุส่วนนี้พอถึงยานที่สี่อุทรยพย า, ยพยายนเห็นรูปนามเกิดกลับญานที่ห้าพังพยายนเห็นเฉพาะความดับไปของโลกนามฝ่ายเดียวยานที่หกพยายนเห็นรูปนามเป็นของนากรวยานที่เจ็ดอาทิเน อ, อาธินวายานเห็นทุกเห็นโทษของโรกนาม ญานที่8นิพพิทยานเบื่อหน่ายในรูปไปนามยานที่เก้ามุ่จิตตุกขามิจตัญาณอยากออกจากนี้อยากขดอยพ้นจากรูปไปนามยานที่10ปฏิสังขญาณใจเข้มแข็งตั้งแต่จริงปฏิบัติเก่งยานที่12อนุโลมายานเห็นอริยสัจสี่เ์เซ็เห็นพัตถตักรยเปร์เซ็นตยานที่สิโคตรระพูยานน่วงนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะกิจทิ้งขันห้ารูปนามแล้ว น, นิพันธปนรมญานที่สิบสี่มรคยานกิเลสขาดตรงนี้เมื่อกิเลสขาดแล้วจึงจะรู้แก้งเห็นอิงวันแน่หรือเกินที่พระเจ้าเทศไวิสวรรค์นรกนี้จริงๆที่ิสูตรได้ต้องถึงตรงนี้นะแต่เรียกพิสูตน์รื่องปัญญาปัญญามีหลายขั้นขั้นนี้เรียกว่าภาวนามายปัญญาพระศาสนาถือปัญญาคันนี้เป็นตัวปัญญานอกนั้นเป็นแค่สัญญาทฐานะสอบประโยคก้าได้คือแค่สัญญาฐานะ ไม่ใช่ภาวนาม่าปัญญาเพรจะมันพิสูจน์ไม่ได้แต่พิสูจน์ได้ต้องใช้ปัญญาคันนี้ใครอยากพิสูจน์ก็ลองดูจเจริญนิพพานาถึงตรงนี้เราพิสูจน์ได้ร้อปเ็ไม่มีที่พิสูจน์ไม่ได้ขอให้ถึงจริงๆแต่มาทํานิดนหน่อยไปพิสูจน์ก็ไม่ได้เหมือนตํารายานั่นแหละได้แต่ตำรายาไม่ไปต้มกินมันก็ไม่หายราถนาเหมือนกันเป็นของที่หนาหสิจันถ้าเราประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วเอานี่แหละ ว, ว่าถึงพิสูจน์ต้องพิสูจน์ด้วยปัญญา ที่ว่าถึงหลักฐานอยู่ที่ไหนภูริกเก้าเทศไปเลยในพระไตรปิฎกเริ่มที่ยี่สิบห้าถัดธรรมบทก็ภาคสามหน้าต้นต้ น, ตนพระองค์ตัดไปเลยโกอิมังปฏิวิณมีกิจสติะมโรกันจะอิมังสเทบะคังเสโคปฏิวิจมีกิสติใครจะเป็นคนที่สูจนได้หนึ่งสวรรค์นรก ใ, นใครจะพิสูจได้พระองค์ตัดเลยเสโคปริจิจิตสติ พระเศคาบุคคลท่านั้นจริงจะพิสูจน์ได้นอกนั้นพิสูจน์ไม่ได้ใครเล่าเป็นพระเศคารบุคคลอัตถิฐานแก่เลยสัตวิโทเศโคสัตวิโทเศโขพระเศคาบุคคลเกตจังพวกโสภาปฏิมขัดทิ้งอัตถังขตตวานับตั้งแต่พุทตั้งอยู่ในโสดาปฏิมัคนี่องค์ที่หนึ่งตั้งอยู่ในโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลสกิทาามีมัคนสกิทคามีผลอนาัมัคธนาคารมีผล อร Hathamak อรหัตผลพูดติ่ตั้งอยู่ในเสขบขคนเกตจัมพุกพวกใน พ, พวกหนึ่งนี้แหละจึงจะพิสูจน์ได้นอกนั้นพิสูจน์ไม่ได้อืมเอาก็ไม่ง่ายพระโสดาบันจึงจะพิสูจได้ถ้าไม่เป็นพรโสดาบันพิสูจนไม่ได้แต่เก่งแค่นี้ก็พิสูจน์ไม่ได้ยังสงสัยอยู่แต่ถึงตรงนี้ทําไมยังพิสูจน์ได้เพราะกิเลสที่ตัวการใหญ่ตายกิเลสตัวกันใหญ่กันโลภสี่โลภสี่ตัวอืมนัม่นแหละที่เดือ้อที่โสดา มันยังอยู่ในจิตใจของเราโน้นก็ขอโดยมิถาทิฏฐิตาชาโทพระสีตัวนี่ตายก็วิอีกขาหนึ่งมันก็หมดปัญหากันเท่านั้นดังนั้นพระองค์จึงตัดไว้เลยคนที่จะพิสูจน์คือคนปฏิบัติถึงตรงนี้อย่างนี้นอกนั้นสงสัยบางครั้งก็เชื่อแต่บางครั้งก็สงสัยเสียจึงพิสูจนไปแน่นอนถ้าถึงตรงนี้แต่ยกว่าัาจจาระศรัทธามีศรัทธาไม่งอนเย็คนเคลนไม่หวั่นไหวแล้ว อจระศรัทธาศรัทธาของคนที่ไม่คนเย็นคนแข็งแล้วใครจะว่าอย่างไรว่างไรไม่มีที่จะถือกลับไปถืออย่างเดินเวลาทําบนดีใจเห็นว่าบาปมีบุญมีไหวพริบช่วดทําดีเสียเพราะฉะนั้นทางไปสวรรค์ก็เลยแจกมหาก ร, รุสแปลเมื่อมีทางเดินก็ต้องมีที่ถึงพามเมื่อเราเดินก็ถึงใครอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องจเจริญนี้ปัานาทาทานไหว้พระสดมน ต่อไปได้ท่านนะอันนี้ว่าดถึงผู้ที่ตายแล้วเคลนางวิสาขาเนี่ยได้เกิดสวรรค์ชั้นที่ห้าชั้น น, นิมมาราดีทำมีกาอวสศกก็เกิดสวรรค์ชั้นดาวเดึงชั้นชั้นดุสิตนั่นนะัตตะกุณลีเทบุตรไปเกิดสวรรค์ชั้นดัวเดืงนันเทมาน ก, ก็เกิดสวรรค์ชั้นดาวเดืงมีเยอะตัวอย่างในวิมานวัตถกวาดถึงเรื่องผลบุญที่คนสร้างไว้แม้เพียงทอดกระถิ่น ก็อา น, นิสงแรงเป็นเดือนวัที่เก่าแล้วญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทวายการพิสูจน์นรกสวรรค์ต้องพิสูจน์ด้วยหลากหลายประการประการที่หนึ่งพิสูจน์ด้วยวันเกิดประการที่สองพิสูจน์ด้วยขนตาประการที่สมพิสูจน์ด้วยใจที่เป็นบุญเป็นกุศลประการที่4ี่ตัวอย่างประการที่5้าปัญญาขั้นสุดท้ายจึงจะพิสูจน์ได้นอกจากนัน้นในเพิ่มประกอบ พิสูจด้วยปัญญาอย่างเดียวท่านั้นแน่ที่สุดแล้วแล้วปัญญาต้องปัญญาขันไหนโลกุตระปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดาปัญญาธรรมดานี่ปัญญาหาข้าวกินไม่ใช่ปัญญาที่สุจนโนสวรรค์ไหนมาก็หาเงินทัทองเท่านั้นถ้าใช้ผิดมันก็ให้โทษดีเหมือนกันปัญญาขั้นนี้ต้องใช้ให้เป็นมันเป็นเหมือนดาบสองคมใช่ผิดก็ให้โทษใช่ถูกก็ให้ค้นอะไรกินตามไม่เรียกปัญญาแต่ว่าที่เจ้าไม่เรียกว่าปัญญาหรอกเรียกว่าสัญญา แต่ว่าจำไรเฉยๆปัญญาจริงๆต้องไรแก่ภาวนามยปัญญาผู้ที่เจริญวิปัสนาเกิดวิปัสนาญาณขึ้นมานั่นหลยจึงจะเป็นตัวภาวนามยปัญญาปัญญาขั้นนี้จึงจะพิสูจน์นรกสวรรค์ได้ทำไมถึงตรงนี้พิสูจน์ไม่ได้เมื่อพิสูจน์ไม่ได้เป็นนึกเดาเองไม่ได้เพราะของมีของมีอยู่มีเหตุมีผลไม่หลักมีฐานผู้ที่ท่านเคยได้เคยถึงมามีเยอะหนทางยังมีอยู่ที่จะไปที่เหล่านี้ เราจะไปทึกทักตขาเองเราไปไม่ได้ก็จะไม่เชื่อคนอื่นก็ไม่ถูกนะต้องเชื่อพระเจ้าให้ก่อนอืมถ้าเชื่อพระเจ้าเลยไม่มีขาดทุนมีแต่ได้กําไรทั้งนั้นดูพ่อผัวของนางวิสาขาสิเมืองแรกก็ไม่เชื่อดังนั้นแหละอืมจะไลรนางวิสาขาหนีนางวิสาขาก็ไปแต่เอาทางมาชนะกรอนคนที่สุดไม่ให้ไปต้องขอโทษขอโทษขอให้ออเอาต้องการเอาพระพุทธเจ้ามาเอามานางวิสาขาก็เชิญพระพุทธเจ้ามา ทำบุญองค์วสุก็แอบฟังอยู่ข้างนอกน้องปรเทศเศรษฐกิจดังเขาพับใส่สําเร็จเป็นโสดาบันโอ้ยตั้งแต่นั้นเริ่มใสในประสาทสนามะขนาดยกนาวิสาขาลูกสะพ้ายให้เป็นแม่เขาเรียกวิสาขามีคารมันดานางวิสาขาเป็นมันดาของมีคารเศรษฐีนีเห็นไหมถ้าถึงแล้วก็เริ่มใสสศรัาไม่มีงอนเงี้ยไม่มีคนแคลนหรอกคนจะเริ่มใสจะถึงจริงต้องจเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าเจริญสมถากก็ต้องเอาไปต่อกันอย่านึกว่าเจริญธรมถากก็ะจะไปถึงนิพพานนะมีพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเล่าโอยภาว น, นาอย่างไรก็ไปที่เดียวกันแหละอันี่คือคนไม่ได้สนใจาศาสนาแต่คนสนใจาศาสนาจริงๆจะไม่พูดอย่างนี้เลยเพราะหลักฐานในปฏิบดอดบอกไปหมดทางเดินเราจะไปสายไหนเมื่อเดินทางผิดก็ถึงไปไหนเช่นเราขึ้นรถด่วนเนี่ยขึ้นสายอุบลมันก็ต้องไปถึงอบุบลนาะขึ้นสายน้องค่ายก็ไปน้องขาย เกนสายปกต้กับโน้นหรือสงายโคร็อกไนน่มันอยู่ที่ทนทางต้นทางปลายทางเราจะไปสู่สุคติเหมือนกันอยากจะไปมนุษย์อะไราเป็นเหตุพาไปศินห้าอุศนกโมเสภจะไปสวรรค์อะไรพาไปมาหาอุศลแปมีฟังเทศไหวพระสวดมน์ทอดกระถินทอดภาผ่าเป็นต้นอยากจะไปพรมโลกก็จเจริญธรรมทา ภาวนาพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นจะจะไปนิพพานก่อเจริญนีิพพสนาภาวนาปองน้อยเนะเป็นตัวอย่างอย่างนี้เรียกว่าหนทางเดินสําคัญเราขึ้นรถสิรถสนามหลวงนี่ยไปไหลายแห่งขึ้นผิดมันก็ไปผิดนั่นแหละเป็นโทรมันก็ไปโทรกันแหละรถเขาหมายป้ายหมดคันไหนจะไปไหนก็เ ข, ขียนไว้ทางไปสวรรค์นิพพานเหมือนกันทางไปนรกเขาติดป้ายวันโทรนายโทรคนขับแต่านายโทรขับลงนรกเลย ทางไปเปรตเอตักาในโลกเขาติดไป้ายไปเลยที่กายยาคนครนั่นแหละทางไปเป็นสัตว์ในช้างเขติดนายโมไปเลยคือโมหะหลงทางไปมนุษย์เขาติดไป้ายไปเลยว่าศีลนายศีลทางไปสวรรค์ก็ติดป้ายว่ามันนายมหาอจะไม่ใช่มหมายจำลองนะนี่เขาจะเลือกกทมเลือรกรายการอันนี้เรียกว่ามหาอมืมหาโกศล ไปสวรรค์จะไปพรมโลกก่เจริญสมุทะจะไปนิพพานก่อเจริญนิพพานะเนีเขามีเบอร์ไว้อย่างนี้จับให้มันถูกกันแล้วกันนะเอต้องเลือกให้ถูกวัดถูกเบอร์เขาจะไปจับผิดจับผูกเข้าแต่ น, นี้ถ้าสมมติโยมอยากได้จะไปสวรรคนะ์ไงแต่มือไปคว้าบัฟไปเอาทางไปนรกมันก็ต้องไปนรกนะเหมือนมะม่วงอกครองมะม่วงก็ร่อนโยมอยาก้าจะม่วงอกครองแต่มันดูใกล้ๆ ก, กันไป ความับในโมงม่วงก็ร้อนโปร่ง่วก็เป็นกรร่อนเป็นอกลองไม่ได้เพราะพันธเป็นอย่างนั้นไอ้พันที่จะไปสวรรค์มันเป็นพันธดีเราพระมหาคุณโสนพอเราทํานี่มันจะไปไม่ดีไม่ได้ถ้าเราไปทําม่ดีเขาไม่ไหนแท่ไปหิบขาทิศยะโคเนินเข้ามันเดือดร้อนเขา้าเป็นบาปเป็นกรรมไปไม่ได้อาราถนสาสารชนผู้ใจบุญทา่านบัดนี้รายการไขปัญหากันสุดท้ายจบแล้วพิศร์สวรรค์ ขยับจะไปสวรรค์มีหกชั้นชั้นจ่าโทมชั้นทวดึงชั้นยามาชั้นโลสิตชั้นนิมมาราดีชั้นเปริมิตะวัสวดดีจะไปได้พมหากุศล8ปดมีไหวพระสดมน์ฟังเทศฟังธรรมถอดกริ่นถอดผา ป, ป่าเป็นขุนหบอ่อขอสลาเป็นตน้นอาตมาภาพใดไขปัญหามาก็สมควรเกี่การเวลาแล้วขอยุติเวทีเพียงตนนัวนี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณวสีรัตนตรยัยอธิไซปัญิเขตขอท่านผู้ใจบุญทลาย จงอยู่เย็ยนเป็นศกปราธเจาทุ ก, กโศกภัยเจริยอายุวันะสุขภะละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิดด้วยกันทุกท่านเทิญ